พุทธวัจน์สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะในราย จะมาเป็นพระพุทธเจ้าจนมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และสําคัญ นะสกาลกันทั้งคะเส้นบานค่ะเมื่อวานนี้ถึงตอนที่รู้แล้วว่าบําเพ็ญค่ะเอ่อความตอนนั้นที่ นะทางเนี้ยเราทําคิดว่ามันมันต้องถึงได้ผลแต่มันตันนะอันนี้เป็นเราเรา 3 ข้อนะซึ่ง นะมันมันอยู่ที่สิ่งภายนอกนะก็เลยนึกเอ๊ะอะไรในใจนะ อยู่ให้เกินกว่าเหตุขนาดนี้มันคงๆฉะนั้นก็เลยมีความต้มข้าวสวยกินอาหารหยาบบ้างงั้น 5 รูปนี่เจ้า เป็นคนมากเป็นคนมักมากเวียนมาคลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนๆหรือว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ตด้วยนะแต่ว่าแค่กินข้าวเอ้าไม่เป็นได๋ น่ะก็พยายามทําความเพียรทางใจอาหารหยาบแล้วทําร่างกายให้เริ่มมีกําลังได้แล้วเนี่ยเอ่อคนเราเนี่ยน่ะถ้าถ้าเรามีความสุขนะ อันเนี้ยเป็นข้อคิดอันหนึ่งสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายนะคุณโยมๆครูบาอาจารย์ก็อาจจะบอก นะซึ่งซึ่งคือหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมทับถมตัวเดี๋ยวนะของท่านในยุคนี้ก่อนได้ นั่นคือไม่เอาตรงนี้อยู่ไปหาเรื่องมาให้ตัวเองทุกข์ทําไมอ๋ออ่านี่มีข้อที่ใช่อย่างงี้นะคะไม่มีความทุกข์อยู่อย่าไปหาความทุกข์มาเพิ่มให้ตนเองใช่ข้อ 2 นี่คือข้อที่ 1 นะข้อที่ 2 ก็คือว่าไม่ลุ่มหลง และหาอุบายในการ 2 นี่ทางสายๆเลยนะค่ะคุณหาความสุขดีมั้ยมีได้เป็นความเห็นโทษที่ได้มาหา โทษของไอ้ความสุขที่ได้มาโดยตามความค่ะเออโทษของมันก็คือนี่คือสาธุค่ะท่าน นะนี่คือทางสายกลางนะพอริษัตตอนนั้นก็คือปรับจิตอยู่ปรับจิตนะปรับจิตจากการที่เอ่อตอนนั้นหาทุกข์มาทบท่มตัวเองละนะก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเราไม่ควรเอาทุกข์มาทบท่มตัวเองก็มาคิดใหม่ว่าเอองั้นฉันควรจะหาความสุขที่ได้มาโดยธรรมทําไงจะไม่ลุ่มหลงแล้วก็เลยแบ่งความคิดคุณหยอมติว 2 ส่วนนะส่วน <Okay. S 1> นะส่วนที่เป็นกุศลก็ไว้อีกส่วนหนึ่งนะแยกเป็น 2 ส่วนทีนี้มีความคิดใดนี้ตอนที่ๆเนี่ยเอ่อมีความๆ มีความคิดทางไม่พยาบาทเกิดแล้วมีความคิดทางๆคือถ้ามี เอ่อความคิดเหล่านี้มีการพิจารณาอย่างนี้นะบริษัทตอนนั้นนะพิจารณาว่า นั่น 3 ทริกในทางความคิดในทางที่ดีอะไรแต่พอที่จะรู้ว่าจิตของตัวเราเองได้เนี่ยอย่างบาง เวลาที่เราเอาวัวควายเนี่ยไป <Okay. S 1> อ๋อแต่มันก็งงว่าเอ๊ะทําไมเค้าทําอย่างงั้นทําไมเค้ายอมเหนื่อยเค้าไม่เอาควายไปให้ควายมันเดินบ้างสิว่างั้นนั้นก็ไปถามชาวนาชาวนาเค้าบอกว่าโอ้ไม่ได้ท่านเพราะว่าถ้าบอกว่าควายไปไปเอาไปตามนาบางทีมันไปเลียข้าวเค้ากินข้าวเค้านี่ต้นข้าวของนี่เค้าจะต้องเสียค่าปรับแต่ถ้าเราไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินเนี่ยผสมเกลือค่ะอ่า บางบางทีเราอาจจะเห็นอยู่ถ้าขับไปตามบ้านนอกอาจจะมีจังหวะที่เขาพา<ใช> นะไม่ให้โคเนี่ยไปกินข้าวต้นกล้าครับด้วยการตีจิ่มทั้งนี้ตีทั้งไม่ให้โค นั่นถ้าบอกว่าในฤดูที่ข้าวกล้าเขาเก็บไปหมดแล้วนั้นก็จะให้เด็กเอาปลาไปแต่ช่วงฤดูที่ไม่มีนาเนี่ยนะเขาทํานาเสร็จแล้วก็ เพราะมันไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีค่ะนะบางวันเนี่ยเราเห็นจิต 2 ข้อ ใช่ๆอันนี้คือใช 2 ส่วนค่ะพอพอมีเอ่อแบ่งจิตละเนี่ยแบ่งลักษณะให้เป็นทางกามที่ใช ไปในๆมากนั้นจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าท่านตระหนักในเรื่องกามบริบัติเบี่ยงมากคุณอ่านข่าวเรื่องฆ่าๆคุณดูทีวีที่เขาด่ากันในทีวีมากๆเนี่ย ค่ะแล้วทั้งขาขึ้นและขาลงเป็นเหมือนกันธรรมชาติเดียวกันอันนี้ ก็สมาธิก็เริ่มตกล่ะทีนี้แล้วก็แก้ปัญหาอีกหนังแก้ปัญหาอีกเอ่อพุทธศาสนานี้เป็น ค่ะเอ่อท่านฟังพีคลอปค่ะวันนี้ ที่บอกว่ามีทุกข์เดิมอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ ความไม่เทียมนั้นใช่ค่ะประการที่ 3 ท่านแบ่งออกเป็นในจิตอยู่ที่อยู่ในแดนกามพยาบาทเบียดเบียนกับไม่ใช่กับสุดท้ายพอ กายเมื่อยล้าจิตอ่อนเพลียเหินห่างจากสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะอ่าอ่าใช่ๆๆนะคะแหมกําลังสนุกเลย ให้เค้าเรียกคะให้ให้ความรู้เราอ่ะ